เบลอนพรท่านสาธุชนพุทธบ ร, ริบสัทธ์อุบาสิกาผู้ใฝ่ธรรมทุกๆท่านวันนี้เป็นวันอังคาที่17กุมภาพันธ์พุทธศักราช2558เป็นวันพระวันธรรมวัฒนาวันฝังธรรม วันที่สาธุชนพุทธบริษัทได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาปฏิบัติหน้าที่ของพุทธศาสนิกชนเพื่อประโยชน์สุขที่จะเกิดขึ้นทั้งในปัจจุบันและในอนาคตที่จะตามมาต่อไปในปัจจุบันก็คือมีความสุขใจอิ่มใจปราศจากความทุกข์ ความวุ่นวายใจเวลาตายไปก็จะได้ไปสู่สุกติไปสู่ที่อยู่ของเทพของพรหมของพระอริยเจ้าเพราะการกระทําของพวกเราเป็นเหตุที่จะทำให้เกิดผลต่างๆขึ้นมาไม่ได้อยู่ที่ใครทั้งนั้นไม่ว่าไม่ว่าจะเป็นอะไร เราเป็นผ sure> ู้ทำให้มันเป็นขึ้นมาเราจะทำให้เราเป็นมนุษย์ก็ได้ทำให้เราเป็นเทวดาก็ได้ทำให้เราเป็นพรหมก็ได้ทำให้เราเป็นพระอริยบุคคลก็ได้ขึ้นอยู่กับการกระทำทางกายทางวาจาและทางใจของเราเราจะทำให้เราเป็นเดรัจฉานก็ได้เป็นเปรตก็ได้ ไปตกนรกก็ะไดอยู่ที่การกระทาทางกายทางวาจาและทางใจพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้พวกเราคอยดูการกระทาของเราทางกายทางวาจาและทางใจว่าจะทาไปในทางไหนถ้าทาไปในทางอาบายก็ให้ขวรละเสีย อย่างวันนี้ท่านก็นมาสอนให้เรารักษาศีลกันการรักษาศีลก็เพื่อป้องกันไม่ให้เราไปสร้างเหตุคือการกระทาที่จะทำให้เกิดผลคือการไปเกิดในอบายนั่นเองเหตุที่จะทำให้เราไปเกิดในอบายนี้มีอยู่ห้าข้อด้วยกันก็คือ 1. การฆ่าสัตว์ 2. การลักทรัพย์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 ทำให้เราไม่สามารถรักษาสินกันได้เพราะเวลาที่เราเสพอบายามุขเช่นเสพสุรายาเมาเล่นการพนันเที่ยวกลางคืนกบคนไม่ดีเป็นมิตรมีความเกียดคราดเราจะมีแต่สูญเสียเงินทองเมื่อเราไม่มีเงินทองที่จะใช้เราไม่มีปัญญาที่จะไปหางานทำ เราก็จะต้องไปลักทรัพย์ไปลักทรัพย์แล้วก็อาจจะต้องไปฆ่าผู้อื่นพอลักทรัพย์ก็เป็นก็ผิดศีลแล้วฆ่าผู้อื่นก็ผิดศีลแล้วผลก็เกิดขึ้นทั้งในปัจจุบันและในอนาคตผลในปัจจุบันก็คือความไม่สบายใจความวิตกกังวลหวาดกลัวต่อผลกรรมที่จะเกิดขึ้น และเวลาตายไปก็ต้องไปเกิดในอบายไปเกิดเป็นเดรัจฉานบ้างเป็นเปรตบ้างเป็นอสุรกายบ้างไปตกนรกบ้างนี่คือผลที่เกิดจากการเสพอบายามุกแล้วก็ไปทาบาปทากรรมอบายามุกนี้ยังไม่ไม่ได้เป็นการกระทำบาปแต่เป็นประตูเป็นช่องที่จะทําให้เรา ตกเข้าไปต่อการกระทาบาปอบายแปลว่าที่ที่ไปของผู้ทาบาปมุกก็คือทางเข้าวาวรอบายยมุกก็คือทางไปสู่อบายประตูทางเข้าสู่อบายผู้ที่ไปเสพอบายยมุกก็เถอว่ากําลังอยู่ที่หน้าประตูของอบาย พอเสพแล้วเงินไม่มีจะเสพเช่นเล่นการพนันจนหมดเนื้อหมดตัวก็ต้องไปรักทรัพย์มาเล่นต่อไปขโมยไปโกหกหลอกลวงขอยืมเงินทองของผู้อื่นมาแต่ไม่มีวันที่จะไปใช้เขาได้ก็เป็นการโกหกด้วยหลอกลวงรักทรัพย์ด้วยแล้วบางครั้งก็อาจจะ มีการต่อสู้กันก็ไปฆ่าเขาได้ก็พอได้ทำบาปแล้วผลก็จะต้องส่งผลเหมือนกับการที่เราปลูกต้นไม้ชนิดต่างๆเราปลูกต้นไม้แล้วต้นไม้พอจเจริญเติบโตขึ้นมาก็จะต้องออกดอกออกผลตามของต้นนั้นปลูกมะลกอก็จะได้มะลกอ ปลูกส้มก็จะได้ส้มการทำบาบนี้ก็มีผลที่ต่างกันไปท่านแสดงไว้ว่าถ้าทำบาปด้วยความโลภความอยากได้มากๆทั้งๆที่พอมีพอกินแต่อยากร่าอยากรวยอยากมีมากๆแล้วก็เลยไม่สามารถที่จะทำได้โดยวิธีที่สุดเจริญ หากินด้วยวิธีสุดจริญนี้ไม่รวยก็เลยต้องหากินด้วยวิธีทุจริญไปลักทรัพย์ไปช่อโกงไปฆ่าผู้อื่นพอทําอย่างนี้ตายไปท่านบอกว่าจะต้องไปเป็นเปรตเปรตก็คือผู้ที่ทําบาปด้วยความโลภแต่ถ้าทําด้วยความไม่รู้ทําด้วยความจําเป็นเช่นต้องเลี้ยงปากเลี้ยงท้อง ไม่มีปัญญาที่จะไปหาเงินหาทองมาด้วยวิธีสุดจริตก็เลยไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไปยิงนกตกปลาหาสัตว์มารับประทานฆ่าผู้อื่นโดยความไม่รู้ว่าเป็นบาปคิดว่าไม่เป็นไรเพราะต้องยังชีพผู้ที่ทำบาปแบบนี้ท่านบอกว่าตายไปแล้ว ก็ต้องไปเกิดเป็นเดรัจฉานเพราะพวกเดรัจฉานนี่เขาจะอยู่ด้วยการฆ่าผู้อื่นสัตว์เดรัจฉานนี่สัตว์ใหญ่จะกินสัตว์น้อยเขาจะไม่รู้ว่าเป็นการกระทำบาปมนุษย์ที่ทำบาปเพื่อยางชีพก็เป็นอย่างนี้มีอาชีพที่ไม่ควรที่จะมีอาชีพฆ่าสัตว์ตัดชีวิตทำไปแล้วได้ไม่คุ้มเสียได้ชีวิต แต่พอตายไปต้องไปเกิดเป็นเดรัจฉานถ้าไม่ทำอาชีพแบบนี้ตายไปก็ไม่ไปเกิดเป็นเดรัจฉานไปทำอาชีพอย่างอื่นก็ได้ไปทำมาค้าขายอย่างอื่นขายผ้าขายยางขายอาหารขายอาหารที่ถ้ามีเนื้อสัตว์ก็เป็นเนื้อสัตว์ที่ตายแล้วไม่ได้เป็น ซื้อเนื้อสัตว์เป็นมาค่าถ้ามีเนื้อสัตว์ที่เขาฆ่าแล้ว เ, เอามาขายเราซื้ออย่างนี้ไม่บาปบาปอยู่ที่ผู้ฆ่าบาปไม่ได้อยู่ผู้ที่รับประทานผู้ที่ทานเนื้อสัตว์ที่ตายไปแล้วนี้ไม่บาปแต่ผู้ที่ไปฆ่าสัตว์มาแล้ว เ, เอามาขายนี่ผู้นั้นบาปถึงแม้ว่าจะไม่ได้รับประทาน ถึงแม้ว่าจะกินเจแต่มีอาชีพฆ่าสัตว์เพื่อเอาเนื้อสัตว์มาขายแต่ตัวเองกินเจการกินเจนี้ก็ไม่มีประโยชน์อะไรเพราะว่ามันไม่ได้เป็นการทำบุญกินเจก็เหมือนกับวัวควายวัวควายเขาก็กินผักกินหญ้าเขาก็ไม่ได้วิเศษวิโสจากกินผักกินหญ้าแต่อย่างใด นี่คือสาเหตุของการกระทำบาปที่ไม่รู้ว่าเป็นบาปเป็นโทษทำไปเพราะคิดว่าไม่เป็นไรต้องเลี้ยงปากเลี้ยงท้องพอตายไปก็เลยต้องไปเกิดเป็นเนหรัจฉานถ้าทำบาปด้วยความกลัวกลัวคนอื่นเขาจะมาทำร้ายเราเราเลยไปฆ่าเขาก่อน อย่างนี้เรียกว่าตายไปแล้วจะต้องไปเป็นนสสรกกายแล้วถ้าทำบาปเพราะความโกรธเกลียดเครียดแค้นอาฆาตพยาบาทจองเวงจองกรรมตายไปนี้ท่านบอกต้องไปนรกนี่คือสถานสี่สถานของที่ผู้ที่ทำบาปด้วยความโลภด้วยความโกรธด้วยความกลัวด้วยความหลง มีอยู่สี่ที่ด้วยกันพระพุทธเจ้าจึงทรงมาสอนให้พวกเรามาสร้างกำแพงกั้นไม่ให้พวกเราต้องไปใช้กรรมในอบายกันถ้ารักษาศีลห้าด้าก็จะไม่ต้องไปเกิดในอบายถ้าทำบาป ก, ก็ต้องไปเพียงแต่ว่าจะไปเมื่อไหร่ไปช้าไปเร็ว ขึ้นอยู่ที่บุญที่เราทําด้วยนอกจากเรารักษาศีลแล้วถึงแม้ว่าเรายังไม่สามารถรักษาได้ร้อยเปอร์เซ็รักษาได้บ้างบางวันก็รักษาไม่ได้ถ้าเรามาทําบุญบุญนี้ก็จะปะว่ววิงเวลาของการไปใช้บาปได้ถ้าเราทําบุญมากกว่าบาป เวลาเราตายไปเรายัางไม่ต้องไปใช้บาปเราไปรับผลบุญก่อนเพราะบุญมีกำลังมากกว่าจึงดึงใจให้ไปสวรรค์ได้แต่เวลาใดที่บาปมีกำลังมากกว่าเวลานั้นบาปก็จะดึงใจไปให้ไปใช้กรรมในอบายดัยงนั้นนอกจากการรักษาศีลไม่ทำบาปแล้วเราก็ต้อง ทำบุญให้มากๆบุญก็มีอยู่สองอย่างบุญที่เกิดจากการให้เรียกว่าทานอย่างญาติโยมวันนี้มาทำทานกันแล้วก็มีบุญที่เกิดจากการทำใจให้สงบการทำใจให้สงบนี้จะได้บุญที่สูงกว่าบุญที่ได้จากการทำทานถ้าเราทำทานแล้วรักษาศีลได้ เวลาตายไปถ้าบุญของเรามีมากกว่าบาปเราก็จะได้ไปเกิดเป็นเทวดาถ้าเราปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิได้รักษาสิ่งแปดได้เราก็จะไปเกิดบนสวรรค์ชั้นพรหมแล้วถ้าเราจเจริญปัญญาได้มองเห็นว่าทุกอย่างไม่เที่ยงเป็นทุกข์ ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราแล้วเราก็ตลงตัดความอยากต่างๆไปได้ตายไปก็ได้ไปเป็นพระอริยบุคคลขั้นต่างๆตั้งแต่ขั้นโสดาบันขึ้นไปถึงขั้นพระอาหารหันต์ตามลำดับแห่งการเจริญปัญญานี่คือเหตุและผลที่จะตามมาเหตุก็คือการกระทำของเรา ในแต่ละวันนี้เรากำลังสร้างนรกกันสร้างสวรรค์กันสร้างอบายกันสร้างมรรคผลนิพพานกันวันนี้เรามาสร้างสวรรค์สร้างมรรคผลนิพพานกันด้วยการทำทางด้วยการรักษาศีลละเว้นจากการกระทำบาปถ้าเราทำทางรักษาศีลห้าเราก็จะไปสวรรค์ชั้นเทพ ถ้าเราอยากจะไปสวรรค์ชั้นพรหมเราก็ต้องรักษาศีลแปลแล้วก็ต้องหัดทำใจให้สงบหัดนั่งสมาธิหัดไหว้พระสวนมนไม่ไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายที่เป็นความสุขของเทพน่ถ้าเราอยากจะไปหาความสุขของพรหมเราต้องละเว้นจากการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย เราก็ต้องมารักษาสินแปกันรักษาสินแปดก็จะห้ามไม่ให้เราไปหาความสุขจากการหลับนอนกับคู่ครองของเราเรามีแฟนวันนี้เราจะขอแยกนอนห้องกันหนึ่งหนึ่งวันเราจะไปสวรรค์ชั้นพรมเราจะไม่อยากอยู่สวรรค์ชั้นเทพถ้าเป็นสวรรค์ชั้นเทพก็รักษาสินห้าไป ล้วก็ร่วมหลับนอนกับคู่ครองของตนไดน้แต่ถ้าไปหลับนอนกับสามีภรรยาของผู้อื่น<ม>ก็จะไปเป็นเดรัจฉานเพราะเดรัจฉานนี้เขาไม่รู้จักผัวจักเมียเขาไม่รู้จักคู่ครองของใครเวลาเขาเกิดความรักความใคร่ใครถ้าเขาร่วมหลับนอนได้เสกการมได้เขาก็จะเสกกัน ถ้าเราไม่อยากจะเป็นไปเป็นเดรัจฉานเราต้องรักษาศีลข้อกรรมในให้ได้ถ้าเรายังเสพการมอยู่ก็ต้องเสพกับคู่ครองของเราเสพกับสามีภรรยาของเราถ้าเราเสพกับคนอื่นเราก็ไม่ต่างจากเดรัจฉานเดรัจฉานเขาไม่รู้จักคู่ครองเขารู้จักแต่ความใคร่ความอยากเวลาเขาเจอ ใครที่เขาอยากจะเสกกรมด้วยเขาก็จะเสกทันทีแต่ถ้าเราอยากจะเป็นมนุษย์หรืออยากจะเป็นเทวดาเราก็ต้องรักษาสี่ข้อสามนี้ไว้ให้ได้คือข้อกางมีสุมิชาจาราเราจะไม่ประพฤติผิดประเพณีถ้าเราอยากจะเสกกามกับใครเราก็ต้องทําให้ถูกประเพณีประเพณีของมนุษย์ก็คือ ต้องมีผัวเดียวเมียเดียวต้องได้รับการอนุญาตจากบิดามารดาของผู้ที่เราจะไปขอเขามาเป็นคู่ครองของเราและเราก็ต้องซื่อสัตย์ต้องเสกการมกับคนที่เป็นคู่คร อ, องของเราเท่านั้นถ้าเราอยากจะเป็นมนุษย์หรืออยากจะเป็นเทวดา เราต้องพยายามรักษาศินข้อสามนี้ไว้ให้ได้แต่ถ้าเราอยากจะไปสู่สวรรค์ที่สูงกว่านี้คือสวรรค์ชั้นพรมเรายากเราก็ต้องมารักษาศินแปดกันข้อสินข้อสามที่เป็นกาเมสุมิจฌาลาเวระมณีก็ต้องมาเป็นอ布拉มจาริยาเวรมณีคือเราจะถือศินคมจันท์ พรมจนรย์ก็คือไม่เสพการไม่ร่วมหลับนอนกับผู้ใดแล้วเราก็ต้องมาหยุดการหาความสุขจากการดื่มจากการรับประทานมากเกินความต้องการของร่างกายคือเรารับประทานแค่เที่ยงวันก็พอเพียงต่อการเลี้ยงดูร่างกายให้อยู่ได้อย่างเป็นปกติสุข ไม่จำเป็นต้องกินอาหารเย็นอาหารดึกอันนั้นเป็นการกินเพื่อความอยากกินเพื่อความสุขมันก็จะเป็นความสุขของเทวดาของมนุษย์ถ้าอยากจะเป็นพรหมก็ต้องไม่หาความสุขจากการกินการดื่มแต่ให้มาหาจากการทำใจให้สงบไหว้พระสวดมนต์นั่ง ส, สมาธิ นอกจากการไม่ดื่มไม่กินแล้วก็ต้องไม่ดูไม่ฟังด้วยไม่ดูไม่ฟังพวกมโหฬสพบันเทิงต่างๆเพราะเป็นการหาความสุขของเทวดาของมนุษย์ไม่ใช่เป็นการหาความสุขของพรหมพรหมจะหาความสุขจากการทำใจให้สงบแล้วก็ต้องละเว้นจากการหาความสุขจากการหลับนอน มากเกินความต้องการของร่างกายวิธีที่จะหลับนอนไม่มากเกินไปก็ต้องนอนบนพื้นที่มันแข็งมไม่ใช่นอนบนฟูกหนาๆเพราะถ้านอนบนฟูกหนาๆนเวลาร่างกายได้พักผ่อนแล้วตื่นขึ้นมาใจจะไม่อยากลุกอยากจะนอนต่ออยากจะหาความสุขจากการหลับการนอนต่อ ก็จะทำให้เสียเวลาอันมีค่าที่จะมานั่งสมาธิมาสวดมนต์มาปฏิบัติธรรมเพื่อทำใจให้สงบให้ใจได้ไปสู่สวรรค์ชั้นพรหมนี่คือศีลแปดถ้าพวกเราอยากจะไปสวรรค์ที่สูงกว่าสวรรค์ชั้นเทพถ้าเราอยากจะไปสู่พระอริยบุคคลขั้นต่างๆ เราต้องถือศีลแปดแล้วมาฝึกนั่งสมาธิทําใจให้สงบใจจะสงบไม่สงบอยู่ที่สติถ้าเรามีสติเราก็จะควบคุมใจให้หยุดคิดปรุงแต่งได้ถ้าเราหยุดคิดปรุงแต่งใจของเราก็จะสงบแล้วเราก็จะมีความสุขเป็นความสุขที่ดีกว่าการเสพรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐพะ คามสุขที่ดีกว่าการร่วมหลับนอนกับคู่ครองของเราไม่เชื่อลองทําดูลองมาสร้างสติบริกรรมพุทโธพุทโธการบริกรรมพุทโธเรียกว่าเป็นการเจริญสติถ้าเราบริกรรมพุทโธเราก็จะไม่สามารถไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้ไม่สามารถไปคิดถึงเรื่องที่จะไปหลับนอน ไม่สามารถที่จะคิดไปถึงเรื่องรับประทานไม่สามารถที่จะไปคิดถึงเรื่องดูเรื่องฟังได้ mm hmm. พอเราไม่คิดเราก็จะไม่ต้องไปเสียเวลากับการไปหาความสุขกับจากการร่วมหลับนอนกับผู้อ mm ื hmm. ่นจากการรับประทานอาหารมากเกินความต้องการของร่างกายจากการไปเสียเวลากับการไป ดูไปฟังมหะรศบันเทิงต่างๆเราก็จะได้มเีเราจะได้มานั่งสมาธิทำใจให้สงบได้ถ้าเรามีพุโทโธพุธโทโธอยู่เรื่อยๆใจก็จะไม่คิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วก็จะเข้าสู่ความสงบพอเข้าสู่ความสงบเราก็จะพบกับความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่าความสุขทั้งหลายที่เราเคยได้พบกัน ถ้าเราได้พบกับความสุขที่เกิดจากความสงมบนี้แล้วเราจะมีความติดใจอยากจะมีแต่ความสุขแบบนี้เราก็จะพยายามถือศีลแปดให้มากขึ้นจากการถือศีลแปดในวันพระเราก็จะเพิ่มขึ้นไปเป็นสองวันสามวันจนกระทั่งจนกว่าเราจะสามารถรักษาได้ทุกวัน แล้วเราก็จะหาเวลามาปฏิบัติธรรมมานั่งสมาธิทําใจให้สงบมากขึ้นมากขึ้นไปเรื่อยๆแล้วต่อจากแล้วหลังจากนั้นเราก็จะมาเจริญปัญญาเพื่อที่เราจะได้เอาความสุขของพระอริยเจ้าความสุขของพระอริยเจ้านี้ต่างกักความสุขของพรหมโลก ความสุขของพรหมโลกนี้ยังมีเจริญและมีเสื่อมได้เวลาที่เราไม่นั่งสมาธิออกจากสมาธิมาความสุขที่ได้จากความสงบก็จะหายไปแต่ถ้าเราอยากจะได้ความสุขแบบพระอริยเจ้าคือความได้ความสงบที่ถาวรเวลาเราออกจากสมาธิมาแล้วเราก็ต้องศึกษาความจริงของสิ่งต่างๆ สอนใจให้รู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นสุขเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันไม่เที่ยงแท้แน่นอนมันเป็นความสุขชั่วคราวมาแล้วก็หายไปมันไม่ใช่เป็นของเราเราเก็บปันไว้กับเราไม่ได้แต่ความสุขที่เราจะเก็บไว้กับเราได้ก็คือความสุขที่เกิดจากความสงบ ความสุขที่เกิดจากความสงบนี่แหละคือความสุขแท้ไม่ใช่เป็นความทุกข์เพราะมันไม่มีวันเสือ่อมไม่มีวันหมดถ้าเรารู้จักรักษามันถ้าเรารู้จักป้องกันไม่ให้มันถูกสิ่งที่จะมาทําลายมันสิ่งที่จะมาทําลายมันก็คือความอยากที่จะหาความสุขจากสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้เความสุขที่อยากจะ ดูจะฟังอยากจะดื่มอยากจะรับประทานอยากจะร่วมหลับนอนกับคนนั้นคนนี้ความสุขที่อยากจะเป็นใหญ่เป็นโตอยากร่ำอยากรวยหรือความสุขที่เกิดจากการไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายซึ่งเป็นสิ่งที่ทำไม่ได้ความแก่ความเจ็บความตายนี้มันต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนเมื่อเกิดขึ้นแล้วความสุข ที่เกิดจากการไม่แก่ก็จะหายไปความทุกข์ที่เกิดจากความแก่ก็จะตามมาความสุขที่เกิดจากการไม่เจ็บไข้ได้ป่วยก็หายไปความทุกข์ที่เกิดจากการเจ็บไข้ได้ป่วยก็จะเข้ามาความสุขที่เกิดจากการไม่ตายก็จะหายไปความทุกข์ที่เกิดจากความตายก็จะเข้ามาแต่ถ้าเรารู้ความจริงอย่างนี้ แล้วเราไม่ไปอยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายปล่อยให้มันแก่ปล่อยให้มันเจ็บปล่อยให้มันตายไปใจของเราก็จะไม่ทุกข์เพราะเราเห็นความจริงว่าทุกอย่างไม่เที่ยงทุกอย่างเป็นทุกข์แม้แต่ร่างกายนี้ก็เป็นทุกข์ไม่ต้องไปยึดไปติดมันไม่ต้องไปอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตาย พออยากแล้วจะทำให้ใจเราทุกข์ขึ้นมาถ้าไม่อยากแล้วจะทำให้ใจเราสงบใจสงบก็จะมีความสุขนี่คือการสอนใจให้เห็นว่าทุกอย่างเป็นทุกข์เพราะไม่เที่ยงเพราะไม่ใช่ของเราเราเก็บเอาไว้ไม่ได้ถ้าเราเห็นว่ามันเป็นทุกข์ไม่เที่ยงมันไม่เราเก็บไว้ไม่ได้เราก็จะไม่อยากได้พอเราไม่อยากได้เราก็จะได้ความสงบกลับคืนมา ได้ความสุขที่เป็นความสุขของพระอริยเจ้าอย่างถาวรอนนี่แหละคือการมาวัดกันเพื่อมาสร้างบุญสร้างกุศลสร้างเหตุที่จะนำมาซึ่งความสุขและความเจริญให้แก่ชีวิตจิตใจของพวกเรา อยู่ที่การกระทาตามคำสอนของพระพุทธเจ้าคือทาบุญทรทานรักษาศิงภาวนาทาใจให้สงบแล้วก็สอนใจให้ฉลาดแล้วเราก็จะได้รับผลอย่างเดียวกันกับที่พระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายได้รับกันจึงขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังในวันนี้ ไปพิจิตรพิจารณาและปฏิบัติเพื่อความสุขและความเจริญที่จะเกิดขึ้นทั้งในปัจจุบันและในอนาคตที่จะตามมาต่อไปการสแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอยุดติดไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศีรัตนตรยัยและบุญกุศลที่ท่านได้มาบำเพ็ญกันในวันนี้